ถ้ามีคนเอาน้ำเย็นเต็มถังนะเย็นขนาดเท่ากับน้ำแข็งเนี่ยสร์เราทั้งตัวนี้เราจะยอมไหหรือว่ายิ่งกว่านั้นคือว่าเราเทใส่ตัวเองเลยนะตั้งแต่หัวตกลงมาเลยเนะี่ยหลายคนคงไม่เอานะแต่ตอนนี้นี่มันมีคนทำอย่างนี้กันทั้งโลกเลยรวมทั้งเมืองไทยด้วยนะเป็นปรากฏการณ์ที่มันแพร่ระบาดเร็วมาก ก็คือว่าเอาน้ำเย็นเต็มถังกนะเต็มถังที่ใส่น้ำแข็งกันนะเทใส่ตัวเองถ้ายกไม่ไหวก็ให้คนอื่นช่วยเทยให้แล้วก็ทําด้วยความสมัครใจนะไม่มีใครบังคับแล้วก็ทํากันเยอะมากในหมู่คนดังทั้งดาราทั้งศิลปินทั้งคนในวงการโทรทัศน์นักการเมือง เบรุเกตนะซักกะเบิร์กนี่ก็ทำกันไปเรียบร้อยแล้วก็รอดูว่าโอบามาจะทำหรือเปล่าแล้วก็จะรอว่าประยุทธ์จันโอชาจะทำไหมอาจจริงๆนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นปรากฏการณ์ที่แพร่ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเร็วมากนะเพราะว่ามันเริ่มต้นมาจากซักกะเบิร์กนะเจ้าพ่อเฟซบุ๊กเนี่ยเขาต้องการหาทุนเพื่อช่วย หมูนิธิที่ทำเกี่ยวกับเรื่องวิจัยกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรค A.L.S. เนี่ยซึ่งมันเป็นโรคที่เป็นกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอบอกว่าเนี่ยเขาขอท้าบิลเกตนะว่าให้เอาน้ำเย็นเนี่ยเชียบเลยนะเทใส่ตัวภายในย4บชั่วโมงถ้าไม่ทำก็ให้จ่ายเงินบริจาคเป็นการกุศลผู้จบเขาก็ทา ทำได้ตัวเองเลยนะเอาน้ำเย็นนะเทใส่ตัวเองบิลเกตว่ลุ้งขึ้นบิลเกตก็รับคำท้านะแล้วก็บิลเกตก็ท้าคนอื่นต่อไปส่วนใหญ่จะท้าสามคนหนึ่งต่อสามบิลเกตก็ท้าคนนั้นคนนี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็โดนกันไปหมดแล้วนะเดวิดแบ็กแฮมแล้วก็ไทเกอร์วูดนะพวกนี้เวลาเขาเขาเทน้ำเย็นนะเขาก็จะถ่ายคลิปวิดีโอไว้แล้วก็ขึ้น Facebook แล้วขึ้น YouTube มันก็ร ะ, ะบาดไปทั่วระบาดมาเมืองไทยนะก็มีหลายคนถูกท้าถูกท้าเขาก็เขาก็ทาเลยแล้วเขาก็ท้าต่อนะอย่างเช่นสรยุทธ์นี่ก็ท้าเคสโคเชนะท้าทีมลเลสบอลไทยนะภายในย4ิบสีชั่วโมงนะถ้าไม่ทําก็ต้องบริจาคเงินมาแล้วก็กลายปเป็นสนุกไปนะทั้งที่น้ำมันเย็นมากๆนี่ ไม่มีใครอยากจะทําำนะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยนะก็เรียกว่าเต็มใจทําแล้วก็ทําด้วยความสนุกด้วยนะทนั้งทั้งที่ใจหนึ่งก็ก็กลัวกลกล้ากล้าแต่ว่าถูกท้าแล้วเนี่ยนะแล้กวก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะไปท้าคนอื่นค่อยๆอยากไปแกล้งคนอื่นนะอยากจะไปแกล้งคนอื่นนะก็ต้องก็ต้องทํารับคําท้าเอาน้ําเทใส่ตัวเองก่อนแล้วก็ท้าคนอื่นต่อไป มันก็แพร่ระบาด ก, กันไปอย่างสนุกสนานมากนะก็มีลูกชายชวหลีกภัยก็ท้านะท้าปนเกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจะทํำไหม<า> <c oughs> เขาก็รอดูอนะแล้วก็อย่างที่ว่าก็มีบางคนเนี่ยก็ท้าโอบามาว่าจะทําหรือเปล่านะถ้าไม่ทําก็จ่ายเงินมาซะนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหาเงินแปลกๆนะแต่ว่ามันได้ผลมากนะเพราะว่า คนก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกนะทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นเรื่องยากการที่คนทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะทั้งที่เป็นเรื่องยากก็เพราะหนึ่งมันเป็นเรื่องสนุกแล้วก็สองถูกท้านะถูกท่าไม่ได้ท้าสองต่อสองนะท้าทางทางเฟซบุ๊กเนี่ยขึ้นคลิปวิดีโอท้าเนี่ยนะถ้าจะไม่รับคำท่าก็ก็เสียเชิงนะ อันนี้เรียกว่าคนเรามีมานะนะมานะนี่คือว่าความรู้สึกว่าฉันแน่ฉันเก่งฉันดีจะเสียหน้าไม่ได้หรือว่าจะให้ใครมาหยามหรือว่าจะจะแพ้คนอื่นไม่ได้นะผู้หญิงเขายังทําเลยนะฉันจะทําไม่ได้ฉันจะไม่ทําได้ยังไงเด็กๆยังทําเลยนะฉันผู้ใหญ่ฉันจะไม่ทําได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นตัวมานะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยถูกท้าแบบนี้ทางทางเฟสนะทาง youtube เนี่ยก็ต้อง ก็ต้องทำแล้วแล้วก็มาสนุกด้วยนะเพราะว่ามีคนเชียร์อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ให้ง่ายคิดที่ดีนะว่งาคนเราเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องยากนะไม่อยากทำนะแต่ว่าถ้าถูกท้าโดยเพราะคนที่คนที่เขาเคยทำได้แล้วเนี่ยแล้วก็ต้องไม่ไม่ยอมแล้วก็มันสนุกด้วยนะเสียงตบมือก็เขาก็รอตบมือกัน ปรากฏการณ์นี้มันก็แพร่ไปทั่วโลกนะมันชื่อว่า Ice Bucket Challenge c h แ l l e n g e แปลว่าทา้า Ice b u c ก e t ็ก็แปลว่าถัาางใส่น้ำแข็งนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำแข็งนะเขาใส่น้ำเย็นเฉียบนะแล้วก็มีคนมีคนดูคนเชียร์นะก็กลายเป็นเรื่องสนุกสนานกันในในในวงการต่างๆเบิร์ดก็เรียบร้อยไปแล้วนะพวกดาราปุกกี้ต่างๆดีเดอร์อะไรเนี่ยก็ โดนทาไปเรียบร้อยแล้วก็ทําไปเรียบร้อยแล้วเนะี่ยดีนะพวกเรานะีเพราะถ้าพวกเราเป็นคนดังนี่ก็คงสวยนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่นคนดังก็มีใครท่าหรอกก็มนันต้องคิดต่อไปนะว่าเอจริงๆถ้าเราจะมาท่าให้ทําอะไรที่มันที่มันดีมีประโยชน์มีสาระทํานองนี้หรือยิ่งกว่า น, นี้นี่ก็ก็น่าจะดีนะอะเช่นพวกเราเนี่ยนะมาเจริญสเติกกันเจวันแล้วซึ่งเป็นเรื่องยากกลับไปบ้านเราก็อาจจะ ขึ้นทําคลิปวิดีโอท้าเพื่อนให้มาปฏิบัติทำนะเจริญสติบ้างไม่ต้องเจดวันหรอกแค่วันหนึ่งก็พอที่สุกะโตก็ได้ที่ไหนก็ได้นะหรือว่าท้าเพื่อนไปนอนอที่ปา่าช้าเชิงตะกรเราอาจจะทําด้วยก็ได้นะเราก็ทําเป็นตัวอย่างนะถ่ายคลิปวิดีโอวันเนี้ยเราคืนนี้เรานอนที่ปา่าช้านอนใกล้เชิงตะกรเราก็ท้าเพื่อนสามคนนะ หรือสี่คนก็ได้นะว่าเนี่ยกล้าหรือเปล่านะถ้าไม่กล้าก็จ่ายเงินทำบุญทำกุศลมานะมีมีท้งเลือกนะซึ่งอย่างเชื่อแน่ว่าถ้าเอาขึ้น a ฟ e b o ๊ k หรือว่าเอาขึ้นยู u b e นีน่คนก็คงจะกล้านะถึงแม้ว่าจะกลัวก็ตามแต่ว่าเล่นท้ากันต่อหน้าสาธารณชนนะก็ต้องก็ต้องเอากันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการ ทําทำํำกิจกรรมนี้ให้มันมีประโยชน์นะการที่ว่าทําแค่สนุกสนุกนะหรือว่าทําเพียงแค่ว่าหาเงินกันแต่มันก็ชี้ให้เห็นเนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายนี่มันทำให้การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันแพร่หลายได้เร็วมากอันนี้มันเร็วยิ่งกว่า ก, กังนำสไตล์นะทางนําสไตล์นี่ยังไม่เร็วเท่านี้นะนี่ เพิ่งได้ข่าวเพิ่งได้ข่าวเมื่อสักสองสามวันก่อนที่อเมริกาทีแรกก็ไม่รู้เขาทำอะไรกันนะเห็นไทเกอร์วูดก็เอาน้ําเทใส่เพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นนักกอล์ฟนักกอล์ฟก็เอาน้ําน้ําเย็นเทใส่ไทเกอร์วูดก็ไม่รู้เขาทำอะไรผ่านไปสองวันหนมาเมืองไทยแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็ได้ได้ได้ดูได้ฟังข่าวนะอันนี้มันเป็นโรคที่การที่แพร่ระบาดเร็วมากจากอินเทอร์เน็ตนะ นะซึ่งถ้าหากว่าเราใช้ไปในทางที่ดีมันก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยนะทำความดีได้แล้วก็เป็นการทำความดีโดยอาศัยว่าทำให้มันเป็นเรื่องสนุกนะพอเป็นเรื่องสนุกแล้วเนี่ยมันก็ความยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายเวลาเราทำงานถ้าเราทำงานโดยมองว่ามันสนุกนะงานนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ลำบากอย่างธรรมยัตราเนี่ยที่ทางวัดจัดทุกปีทุกปีหนะึ่งถึงแปดธันวา เดินตากแดดนะบัลลาสิบห้ากิโลยี่สิกิโลบางคนก็ถอดรองเท้าบางคนก็ไม่ใส่ไม่ใส่หมวกไม่กางร่มแดดร้อนๆ น, นะแต่ว่าหลายคนก็ทำเพราะว่าทำไปทำไปเอ้มันสนุกฮนะนะมันท้าทายดีคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้แต่ว่านั่นมันใช้เวลาเจดดวันนะส่วนในไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์นี่มันเร็วมากเลยนะ แค่สิวินาทีนี้จบแล้วนะคนอะไรคนเดี่ยนี่ก็ชอบอะไรที่มันเร็วๆนะทำปุ๊บจบปั๊บอ่าแล้วก็ท้าคนอื่นต่อไปอยากแกล้งใครก็ต้องทำเป็นตัวอย่างแล้วก็ค่อยมีสิทธิ์จะไปท้าคนโน้นคนที่มาทำนะไม่แน่นะพวกเรานี่กลับไปกลับไปที่บ้านนะจะโดนเพื่อนท้าแล้วก็ได้นะอ่าแล้วก็เตรียมรับพร